รูปสมมุตินามสมมุติรูปบัญยัติทิฏจิงอย่างไรรูปบัญยัตินามบัญญัติมันมันจะยิ่งใหญ่กว่าศาสตร์ทั้งหลายนะศาสตร์ทั้งหลายทั้งหลายนะ่ะมันไม่กระทบอะไรเลยนะถราเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเห็นความคิดเห็นจิตใจที่มัน